เอามันเป็นยังไงวะอันนี้มันก็เป็นมันมมันก็เป็นรูปเปรียบมันเนี่ยเด่๋ยวมันเรื่องภาวนามันคืดมันขัดขัดภาวนานี่ยกระไม้ก็มาให้คิดให้มันบึ้งให้มันคัดขัดอย่นี้มันพยายามอย่ารีบอย่ารอดอย่าซ่าเกินไปอย่ารีบเกินไปค่อยๆทาแต่ว่าจุดมันต้อมีอยู่จุดมันต้อมีถ้ามันออกถ้ามันเป็นรูปเปรียบมามันจะออกออก โดยวิธีอย่างนั้นโดยมากก็ทุกคนนะ่ะมันอยากที่เราออกมาปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่อะไรนะแต่มันอยากเนะ่ะมันอยากอยากนี่มันก็ปนก็ความหลงะนะ่ะแหละอยากนี่มันอยากนี่มันหลงถ้าอยากไม่หลงมันก็อยากด้วยปัญญายัางงั้นความอยากนี่ทันจริงเลยว่ามันเป็นวารามีของคนแต่ไม่ใช่ทุกคนนะ่ะ คนที่มีปัญญาบางคนไม่อยากจะให้มันอยากเพราะเข้าใจว่ามาละงับความอยากนี่ความเป็นจริงถ้าหากว่าไม่มีความอยากก็ไม่มีข้อปฏิบัติไม่รว่าจะทำอะไรเราพิจารณาดูกันนะทุกคน <c oughs> ถึงแม้บาปพระพุทธเจ้าเราก็ตามสาวกทุกองค์ก็ตาม <c oughs> ท่านออกมาปฏิบัตินี่ก็เพื่อว่าจะให้มันบรรเทากิเลสทั้งหลายนั่นแหละ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 คืออยากไม่อยากปัญญาไม่มีนี่นักปฏิบัติของเราเนี่ยสิ่งทั้งสองอย่างนี้มันจึงเป็นกามสุ ข, ขันิการิโยโคอัตตะเยตมัตถายโยโคซึ่งพระพุทธองค์ของเราเนะี่ยที่สอนเป็นครูเป็นอาจารย์ที่สอนมานี่ท่านขลวงมาในตอนนี้เองอในรูปว่าจะไปทำยังไงหลายประการที่ท่านหาอุบายจใจไปพบของสองสิ่งนี้ทุกวันนี้เราก็เหมือนกัน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 ที่พระพุทธเจ้าของเรานั่นสาวกทั้งหลายนั่นท่านก็อยากเหมือนกัน อ, อยากนั่นเป็นอาการของจิตเฉยๆคำที่ว่าไม่อยากนั่นเมื่อเกิดขึ้นมาท่านก็เห็นว่ามันเป็นอาการของจิตเท่านั้นน่ะมันวูบเบี้ยฉะนั้นมันก็หายไปอืมนะดังนั้นความอยากเพื่อความไม่อยากนี้มันมีอยู่ตลอดเวลาผู้ที่มีปัญญาเห็นแล้วก็นะอยากไม่มีอุปทาน ไม่อยากก็ไม่อยากนั่นแนหะ่ะก็ไม่มีอุปทานเป็นสักแต่ว่าอยากหรือไม่อยากเท่านั้นถ้าพูดตามสวนความจริงมันกเ็เป็นแต่อาการของจิตอาการของจิตมันเป็นของมันอย่างนั้นเองถ้าเรามาตะคุบมันอยู่ที่ใกล้ๆนี่มันก็เห็นมันชัดดังนั้นผมจึงว่าการพิจรารณานั่นนะ่ะไม่ใช่ว่ามันรู้ไปที่อื่นเนะมันรู้ตรงนี้เนหะมือนชาวประมงก็ไปทอดแหนั่นแหละอืม ทอดแหเนี่ยมันถูกปลาตัวใหญ่หญเข้านี่ยเจ้าของผูท้ทอดแหมันจะคิดยังไงมันก็กลัวกลัวปลาจะออกจากแขมันไปเช่ไเมื่อเป็นเช่นนั้นใจมันก็ร่นโลนขึ้นเร็วระวังมาก บ, าบังคับแต่คบไปแต่คบมาอย่างนั้นแหละปลเดียวปลานะครับ ออกไปจากแขจนะพอไปตะกุบมันแรงเท่าเกินไปอย่างนั้นอโบราณท่านพูดถึงเรื่องอันเนี่ยแต่านมาค่อยๆทามันแต่อย่าไปอย่าไปห่างจากมันนี่คือปฏิปทาของเราค่อยๆทํามันไปอืมค่อยๆทํามันไปอืมค่อยๆทํามันไปเรื่อยๆไปอย่างนั่ะอย่าปล่อยให้มันอืมหรืออย่าไม่อยากรู้มันต้องรู้มันต้องรู้เรื่องของมันพยายามทํามันไปเรื่อยๆ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 เนีน่ยะเอ้ที่นี้มันก็จะให้ความเห็นอย่างนั้นมันก็จะวกกับมาห้าตัวเราเองว่าเรานี้มีบุญน้อยหรือมีวาสนาน้อยหรือคิดว่ามนุษย์ในโลกนี้ทําอย่างนี้ไม่ได้แล้วอย่างนี้ก็ถอนออกไปก็ได้อืมนี่ น, นี่ตรงนี้ต้องใช้ความระวัตรวังมีคันติความอดทนเราทําไปเรื่อยๆเมื่อปลาตัวใหญ่ๆค่อยๆทําไปค่อ ย, ค, อยคลํา ม, มันไปเรื่อยๆ เอถ้าเราอืมถ้าเราค้ำไปเรื่อยๆเนี่ยนี่ปลามันก็มีดิ่งแรงค่อยๆไปเรื่อยๆแต่มันไม่หยุดนี่เราผักมันไปเรื่อยๆนานๆปลาก็หมดกําลังอืมถ้าปลาหมดกําลังนะ่ะเเอห็นมันก็จับง่ายมันก็จับง่ายเอาที่ถนัดถนัดมันแล้วก็จับมันง่ายอืมถ้าเราเรยบ็บจนเกินไปปลามันก็วิ่งออกจากแหนะท่านั้น โดยมากก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นการปฏิบัตินี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่เราพิจารณาตามพื้นเพนของเราอะ่ะเช่นว่าเราไม่มีความรู้ในทางอื่นไม่มีความรู้ในปริยัตไม่มีความรู้ในอะไรเที่มันเกิดขึ้นก็ความรู้อันเก่าเรานั่นแหละพื้นเพอันเก่าแล้วนั่นแหละของเก่านี่ยคือธรรมชาติของจิตเนี่ยมันมีของมันอยู่ละถึงว่าเราจะไปเรียนรู้มันมันก็มีอยู่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 นี่เท่าไหรการพยายาิจารณาในความรู้ของผู้ปฏิบัติไม่มีพื้นปริยัติรู้จิตผมเคยพูดว่าพยายามพยายามผ่านจิตเจยวของพยายามพูดกับจิตเจยวของมันจริงดูเรื่องมันค่อยๆทำไปถ้ายังไม่ถึงทีม่มันก็ไปอยู่อย่างนั้นทำไปครูบาอาจารย์บางท่านท่านไปบอกเออทาไปไเรื่อย อทําไปไเรื่อยๆไม่หยุดทําไปไเรื่อยๆนี่อ <c oughs> อันนี้ถ้าหากว่าถ้ามาเราคิดเออจะทําไปไเรื่อยๆไม่รู้เรื่องมันจะรู้อะไรอย่างนี้เป็นต้นทําไม่ถูกที่มันมันจะรู้อะไรบอกจะทําทไปไเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นคือการกระทําไปไเรื่อยๆการกระทําไม่หยุดนะ มันจะต้องเกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นในสิ่งที่เราทำนั้นแอืมในเวลานั้นมันก็ยังไม่เกิดความรู้สึกนึกคิดไม่เกิดผลประโยชน์ผมเคยเล่าให้ฟังมันกันกายบุรุษไปสีไฟเอาไม้ลาปอสองซี่หรือไม้ไผ่สองซี่ถา้าไฟอยู่ที่นี่เอาไม้ไผ่สองซี่ลาปอสองซี่เนี่ยสีกันเข้าไป ท่านบอกว่าไฟอยู่ตรงนี้เราก็มาทำนะจับไม้ไผ่สองี่หรือลำปอสองี่มาสีเข้าไปใจเรามันร้อนเราทำงานนันนั่นสีไปเรื่อยๆไปไอ้ใจมันก็ไม่หยุดนี่อยากจะให้มันเป็นไฟอยากจะให้มันเป็นไฟเรื่อยๆ ไอไฟนะั้นมันก็ไม่เกิดนี่ออนี่ยก็เกิดความขี้เกียจแนีแ่ก็พักแค่น้อยคิดสักพักหนึ่งเอาอีกขึ้นนะ่ะก็เอาอีกมันก็เดินช้าไปไปพักผ่อนเด็กอมอ่ความร้อนมันก็หายไปทีคือมันไม่ติดต่อกันนี่เอทําไปทําไปเรื่อยไปไงเงี้ยเหนื่อยก็หยุดนะ ถ้ามีเต้นหนอย่างเดียวมันก็พอแต่ไม่ขี้เกียจมันไปปนเขาด้วย <c oughs> นะเออมันก็เลยไปกันใหญ่อย่างนั้นบุรุษนั่นก็หาว่าไฟไม่มีในทีน่นี้นี่ก็ทิ้งมันไปใช่ไม่เจอไฟก็ไปประกราศว่าไฟทํางี้ไม่ได้ไม่มีอย่างนี้เป็นต้นพอเขาได้ทําแล้วนี่ไอความเป็นจริงทําก็จริงเลอแต่ว่าไอความร้อนยังไม่สมรุ่นกันมันก็ไม่เกิดเป็นไฟให้เรา ในความเป็นจริงนั้นไฟนั้นมันมีอยู่แต่เราทําไม่ถึงจุดอันหนึ่งมันแหละคือความร้อนมันไม่สมดุลกันไฟมันก็เกิดขึ้นไม่ได้จากนี้คือเกิดความท้อแท้ขึ้นมาในใจของผู้ปฏิบัตินั่นเนียก็ละอันนี้ไปทํามนโนย์เรื่อยไปอันนี้ก็ชั้นใดเหมือนกั น, น, นการกระทานี่ก็เรียกว่าเหมือนปฏิปทาทางกายนี่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 ไปท่องดูทุกอย่างตรวจ ด, ดูสินของเจ้าของต้องไปตรวจ ด, ดูทั้งทุกสีขาบทอดเมื่อคิดไปแล้วมันโอ้ไม่ไหวแนละ้วอย่างนี้อันนี้มันก็เปรียบไปว่าพระพุทธเจ้าของเรานะท่านสอนในพิจาณากายอย่างเจสาโลมานาคาทัานตาตาโจรมิได้กายใช่ไหมเนนะ่ะลองลองดูส มันเป็นเรื่องของกายดังนั้นเนี่ยที่อาารย์ในธรรมฐานครั้งแรกกันเนี่ยเรื่องกายดังนั้นเนอืมท่านพิจารณาอยู่ตรงนี้ให้ดูตรงเนี้ยอืมถ้าหากว่าเราเห็นไม่ชัดมันก็ไม่ชัดสักคนหนี่งคนอื่นมันก็ไม่ชัดตัวเราเองเราก็ไม่ชัดเห็นตัวเราก็สงสัยเห็นคนอื่นมันก็สงสัยอยู่ตลอดไปี่ยเพราะว่าอะไรมันเหมือนกัน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 อืมเนี่ยยถ้าเราคิดได้แค่ น, นี้แล้วก็ภาระเรามันก็น้อยลงถ้าเราไม่คิดแค่ น, นี้ภาระเราก็มากจะรู้คนทุกคนจะต้องตามไปดูมันในจักรวาล น, นี้ให้หมดถึงจะรู้คนทุกคนเนี่ยมันก็มากแต่ว่าเราคิดเช่ น, นั้นมันก็ท้อแท้อย่างพระวินยัยเรานี้ก็ระบวนกัารอ่านที่ข้าบทไม่รู้ว่าทะเลโกรธที่ข้าบทเนี่ยตามความจริงมันะ่ะ ถ้าเราจะไปคิดดูแล้วตามใจเขานะก็นึกนว่ามันเหลือวิสัยของเราเนี่ยใครจะไปนึกมันได้ทุกสิขาบทมันมากเหลือเกินอย่นะฮึสพระอาจารย์ตำราต่างให้ตรวจ ด, ดูสินให้สมบูรณ์บริบูรณ์อย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องไปได้ร้ายโกรธิกสขาบทนยให้รู้หมดมันจึงสมบูรณ์บริบูรณ์ให้ความเข้าใจเราเป็ น, ปนอย่างนั้น ยังท่านให้รู้แจ้งซึ่งมนุษย์ทนนั้งหลายนี่ทุกคนเนี่ยก็เข้าใจว่าจะต้องไปดูคนทุกคนมันถึงจะรู้คนทุกคนอย่างนี้มันก็มากแค่นั้นแหละเอ่นะ่นมันก็มากนี่คือมันตรงไปนี่ครับพูโดโดยตรงไปเนี่ตามตำราก็ตรงไปอย่างนั้นครูบาอาจารย์ก็สอนเราตรงไปอย่างนั้นนี่ ให้ความเป็นจริงในทรารียนปริยัติขนาดนั้นมันก็ไปไม่ไหวครับหมดศรัทธามอนกันหมดศรัทธามอนกันนั่นเดีย ว, ว่ามันยังไม่เกิดปัญญาครับถ้ามันเกิดปัญญาแล้วก็คนทั้งหมดก็คือคนคนเดียวถ้ามันคือคนคนเดียวแล้วก็พินาเราคนคนเดียวเล่าเพราะเรามีรูปเพราะเรามีน้ำลักษณะของรูปน้ำนก็เป็นอยู่อย่างนี้คนอื่นก็เป็นอยู่อย่างนี้เหมือนกันมันเห็นแค่นั้น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 อันนี้ไอ้ความเห็นแค่นี้มันก็ง่ายขึ้นครับมันก็ง่ายขึ้ น, นเรารวมรวมกันมานี่เรียวกว่าเราคลำ ม, มันไปนะครั้งแรกก็คลำ ม, มันไปอย่างนั้นแหละคลา ม, มันไปดิ้ดี้ไปอย่างนั้ น, นมันเกิดความฉลาดอยู่ในการกระทํากระทำไปดิ้ดย้ทำไปจนกว่ามันเกิดความเห็ น, นกระทำไปดิ้ดี้แล้วมันจะเห็นความจริงของมันจริงๆ ให้ความเป็นจริง น, น, นั่นปริยัติเลยครับตาเรานี่ก็ van, เป็นปริย inform inform inform inform inform inform mm. MM ัติหูก็เป็นปริยัติทุกอย่างมันก็เป็นปริยัติทย่งนั้นมันรู้ว่ารูปเป็นอย่างนั้นมันก็รู้ว่ารูปเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันติดอยู่ในรูปไม่รู้จัดทางออกเสียงเราก็รู้ว่ามันเป็นเสียงอย่างนั้นแต่เราก็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 โพดสังโคสติสังคาโตธรร ม, มายังวิจโยตธาวิิยมปีติปัจเจติโพดังค์เจตถาปมาสุเปกขาโพดสังคาเบื้องแรกมาเกิดอย่างนี้ฮะอาการนี้มันจะเกิดขึ้นมันก็เป็นโพดชงเพศโพชชงนั้นก็ทั้งหมดน่ก็เป็นองค์ชีกัตรูธรร ม, มะทั้งนั้นไอโพดชงเนี่ยค่ะ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 แล้อยพิจารณาอย่านึกว่ามันอยู่ข้างโน้นอย่านึกว่ามันอยู่ข้างนี้อืมอย่างนั้นอืมออย่างท่านอาจารย์จยัน์ไปเรียนบารีแปลธรรมบรุตรกับเขาไม่ได้ครับเลยนึกถึงว่าพระกรรมฐานถ่านั่งเนี่มันสะอาดมันเนินแจ้งมันรู้มันเห็นท่านก็ออกมาปฏิบตัติอยู่วัดตุตงปะคงแล้วนี่แหละท่านว่า จ, จะมานั่งปฏิบตัติแต่ไปแปลบารี ท่านนึกว่ามันจะรู้อย่างนั้นมันจะเห็นไปอย่างนั้นท่านก็มาปฏิบัติอืนี่ผมก็ได้อธิบายอะไรต่างๆให้ท่านฟังเออท่านหลงในการเห็นไม่รู้ในการเห็นเห็นมันเป็นไงมันเป็นคําพูดอันเดียวการเห็นเนี่ยอเห็นอันเกิดจากการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งเห็นจากการอ่านปริยัติอย่างหนึ่งเรียนปริยัติอย่างหนึ่งเนี่ย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 อันนี้ให้คำหนึง่งถึงทีข้านคาพราหมณ์ดูสิทีขนาคาพราหมณ์เนีย่ยพราหมณ์เล <const> ็บยาวๆทีพระพุทธเจ้าลงมาจากดอยคิดสะโกหรืออะไรเนี่ยแต่พระสรีบุตรอ่ะพราหมณ์แกมีความเห็นว่าด้วยปัญญาของแก เรื่องทิฏฐิทั้งสามนั่นแหลทิฏฐิคือความเห็นนั่นแหละความเห็นอย่างไรแค่ก่อไปยึดอย่างนั้นอะไรที่มันชอบใจของเขาเขาก็ไปยึดว่าอันนี้มันถูกอะไรที่ไม่ชอบใจเขาขอไปยึดว่าอันนี้มันผิดคือเขาเอาใจเขาเป็นธรรมะคือเอาเขาเอาใจเขาเป็นสัจธรรมเนี่ยความเห็นพรามนั้นนะเป็นมาอย่างนี้ครับหลายปีนั่นแหละจนแก่เมื่อพระพุทธเจ้าลงมาจากรอยคิดตกูดพระศาดีบุตรเนกะ็เข้า เรียนกลาบเรียนถามเรื่องติติทั้งสามเนี่ยอืต่อหน้าพระพุทธเจ้าชิ่งทั้งหลายแล้วนี่ก็มันเป็นพ้่นจะเป็นธรรมะครับธรรมะเนี่ยคืออย่างเราเรียนปริยัติมาเนี่ยครับเมื่อมันเกิดความรู้สึกขึ้นมามันก็วิ่งไปตามปริยัติการภาวนายข้อนั่นเป็นอย่างนั้นข้อนี้แบบอะไรก็ต้องวิ่งไปตามเนี่ย ถ้าเราไม่มีปริยัติเรามีธรรมชาติจิตของเราอ่ะอันนี้มันก็เป็นธรรมะเมือนกันกลับมันก็กมีความรู้สึกนึกคิดไปตามธรรมชาติมันเนี่ยถ้าหากว่าเรามีปัญญาและพิจารณานะะั่นแหละมันก็เป็นปริยัติโดยการทั้งนั้นเนี่ย ม, มันเป็นปริยัติไอ้ที่ธรรมชาติเราเนี่ยมันเป็นปริยัติเมื่อมันมีความรู้สึกนึกคิดเคอมาอย่างไรนะครับ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 ถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่ออย่างที่ผมว่าเลยก็มากระทำพยายามทาให้การปฏิบัติของเรานะ่ะมีความเพียรมีการติความอด ท, ทนสม่ำเสมอมันมีสติเป็นหลักนืคือความระลึกได้ว่ะ เรานั่งอยู่นี่เรายือนอยู่นี่เรานอนอยู่นี่เราลึกได้ไหมอิทยาบทอะไรเราอยู่แลกก็ให้รู้ตัวว่าในเวลาที่เราอยู่นี่เมื่อระลึกได้กันมามันติดกันน่นนี่เนะี่ยมันไม่มันไม่ห่างไกลกันนะนสติความระลึกได้สัมปชัญญาวารู้ตัว ถ้ามันเร็วมันจะเกิดพุบมาเดียวกันเลยสองอย่างนี้เราจะไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรเมื่อความระลึกเกิดขึ้นมาความรู้สึกเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาเลยความระลึกได้เกิดขึ้นมาเมื่อมันเร็วที่สุดอ่าแล้วมันก็เมื่อเราตั้งมั่นอยู่มันก็รู้สึกง่ายๆคือความระลึกได้เราอยู่ยังไงเป็นอะไรอยู่ตร่งนี้เป็นสติของเราเนี่ย เมื่อมีสติเมื่อไรแล้วก็รูปตัวอยู่เหมือนนั้นที่นี่ก็มีปัญญาบางทีนี่มันปัญญามันน้อยมามาไม่ทันมีสติอยู่ก็จริงมีความรู้สึกอยู่ก็จริงแต่ว่ามันผิดของมันได้เออมันผิดของมันได้ไอตัวปัญญานี่หลมันจะวิ่งเข้ามาอีก มาช่วยที่ว่าสติะระลึกได้สัพปัญญาความรู้ตัวมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะอบรมปัญญารื่อยอารมณ์ของมีปัจฉนาธรรมฐานเช่นว่ามันจะรู้อยู่เราก็รู้มันอยู่ะระลึกได้อะระลึกได้มันอยู่อารมณ์เกิดขึ้นมายังไงแเราก็ะระลึกได้มันอยู่แต่เราแห้เห็นว่าอานิจจังเป็นพื้นเป็นหลากฐาน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 อไอ้ความรู้สึกหรือความะระลึกเนี่ยมันจะติดติดกันเป็นระดับกันแต่ปัญญานั้นยังไม่ผ่องสายเมื่อเขามาถึงแล้วมันก็สตินี่ไม่ใช่ว่ามันถูกไปทุกอย่างความะระลึกได้ชัางปัญ ญ, ญาเนี่ยความรู้ตัวก็เห็นว่าไม่ถูกไปทุกอย่างปัญญาก็ต้องมาช่วยอมีสติอย่างใดมีความรู้สึกอย่างไร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 โซกระโกระด้วยความไม่รู้จักอันนี้ ม, มันก็เกิดกิเลสปัญหาตรงนี้ถ้าหากว่าปัญญาตัวปัญญา้อมีความรู้สึกเกิดขึ้นมาเช่นว่าเราได้ได้รูปเสียงกลิ่นรถโกฏฐาปะอย่างนี้เมื่อเราได้ยินที่แล้เราองชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างอย่างนี้เป็นต้น คือให้ความยึดมั่นถือมันมันเต็มอยู่ในใจของเราแล้วนี่ฮรดังนั้นพระพุท ธ, ธเจ้าจะใจที่คลี่คลายออกเรื่องที่มันเกิดขึ้นมานี้เรื่องของไม่เที่ยงเป็นดับวินิจฉัยคนนั้นของไม่เที่ยงนี่ถ้าเราไปยึดมันมันก็พาเราทุกข์ทําไมมันจึงทุกข์เพราะสิ่งทั้งหลายแลยไม่ใช่เหตุผลว่าเราจะไปจัดมัน จะเอาตามใจเขาจะของทุกอย่างไม่ใช่อย่างนั้นเราไม่มีอำนาจอย่างนั้นพ่อจิตของเรานี้ไม่ไม่ใช่ว่าจิตเนี้ยเราคิดชอบอย่างไรไม่ว่ามันไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปอย่างนั้นมันจะชอบใจอย่างไรมันจะเป็นธรรมะอย่างนั้นความทุกข์ตรงนั้นไม่ใช่อย่างนั้ น, นทีนี้เรื่องกายก็เรื่องจิตสัมผัสขึ้นมาแล้วเรื่องจิตที่หลงมันก็ม่มีความรู้ไปอย่างนึง ไอ้เรื่องจิตที่รู้เมื่อได้รับอารมณ์เลยมันก็มีความรู้ไปอย่างนี้ไอ้จิตที่มันรู้เป็นส่วนมันรู้สึกขึ้นมาแล้วมันก็เห็นว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นี่ขณะติวัยปัญญาเที่มันเกิดเป็นมันรู้จักไอ้ที่ไม่มีปัญญาเนี่ยมันมันมันมันตามงมไปด้วยความโง่ของมันมันก็เรียกว่าอืไม่เห็นเป็นอนิจจังโทขังอนัตตา เห็นจะพอว่าเราชอบใจอันนี้มันถูกแล้วมันดีแหละอันนั้นเราไม่ชอบใจอันนั้นมันไม่ดีแล้วอย่างนี้อย่างนั้นจึงไม่เข้าถึงธรรมะปัญญาไม่เกิดถ้ามันเกิดเช่นนี้จะทำไงเราจะมีปัญญาพระพุทธเทจ้าต้องว้าเอาอารมณ์ของวิปัสสนามาตั้งไว้ในใจเลยมาต่อกับอารมณ์ทางหลายเหล่านี้อะไรที่มันเกิดขึ้นมาท่านจะเห็นเลย ถึงไหนเราจะชอบมันอยู่แล้วก็อันนี้ไม่แน่อันนี้ไม่เที่ยงไว้ในใจของเรากระซิบอยู่ในใจของเราอันนี้เป็นทุกข์เพราะความที่มันเกิดดับอยู่เนี่ยมันไม่เป็นไปตามอำนาจใจของมนุษย์เพราะว่าทำทั้งหลายเหล่านี้ไม่จิไม่ใจตัวไม่ใช่ตนไม่ใจเราไม่ใช่เขาพระพุทธเจ้าจให้เห็นว่สัสดกแต่ว่ายืนอยู่ตรงเนี้ย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 เป็นธรรมดาของมันบางทีก็ดีใจบ้างบางทีก็เสียใจบ้างเพราะอะไรมาเพราะอันนี้เอาใจของเราเป็นดักว่าอะไรเราชอบว่าใจ น, นั้นว่ามันดีอารมณ์ที่เราไม่ชอบว่าอารมณ์นั้นมันไม่ดียางนั้นเราจะห่างไกลาจากธรรมะเมื่อห่างไกลาจากธรรมะก็ไม่รู้ธรรมะไม่รู้ธรรมะมันก็เดือดร้อนไอ้ความอยากมันก็เริงรร่งเข้ามานี่ไงแเพราะความหลงมันเต็มอยู่แล้ว ถ้าพูดเรื่องขีดมันก็ต้องพูดอย่างนี้ไม่ต้องออกไปห่างตัวมันเป็นอย่างนี้เราหเห็นว่าอันนี้มันไม่แ น, น่นแอันนี้มันไม่แน่อันนี้มันเป็นทุกข์อันนี้มันเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาถ้าเราเห็นอย่างนี้เรื่อยๆนะต้องพยายามอย่างนี้สับไปเรื่อยอย่างนี้อันนี้ท่านเว่าเป็นอารมณ์ของอิปัตนาอารมณ์ของอิปัตนานี้ก็คล้ายๆที่ว่า เราควรรู้จักอารมณ์มันนี่อารมณ์อย่างนี้มันจะให้เกิดปัญญาท่านจะอารมณ์ของวิปัสสนาอารมณ์ของสมถะกรรมฐานนี้คือมันกันแมาจะต้องกำหนดอนาตาสติอารมหายใจเข้าออกเนี่เป็นราักฐานควบคุมจิตของเราเป็นต้นให้อยู่กระแสให้อยู่ตามกระแสของลมเนี่ยให้มันแน่วแน่นิ่งนอนอยู่อันนี้เมื่อเราพยายามทํทตยาตามจิตก็จะสงบนี่ท่านเลยว่าอารมณ์ของกรรมฐาน สมาตาสมาฐานนี่มันมากแต่ความจิตของเราให้สงบนี่มันมากเหลกินครับเพราะมันวุ่นวายมากี่ปีกี่ชาติมาแล้วดูที่เราไปนั่งนดูดิจะไปนั่งดูก็ได้ครับอาการที่จะมันวุ่นวายอาการที่จะไม่ให้เราสงบมันมากเหลือเกินมิจะนั่นท่ันจึงว่าให้หาสรรมถ า, านอันนี้อารมณ์ให้ถูกใจของเราถูกจดิตของเราเช่นว่าเกสาโลมานาขาตันตาตะโจ ถ้าในพิจนากลับไปกลับม า, านี้บางทีถ้าเราไปพูดไปถึงเจสาอย่างนี้โลมานะขาทันตาตะโจหนังถ้าเราพูดพิจานาถึงหนังใจเรามันสบายเพราะว่ามันถูกจดดิจของเราถ้าอะไรไม่ถูกจดดิตของเราแลนะ้วน่ะมันจะเป็นอารมณ์ของเราสําหรับปราบจดดิจทั้งหลายนั่นให้มันเบาบางลงเช่นว่า มารณะสติคือการนึกถึงความตายบ่อยๆนี่เป็นต้นบางคนมันมีโรค ม, มีโกรธมีหลงอย่างกล้าไม่มีอะไรจะบาปมันถ้าเรามาพิจารณาถึงความตายของเราเนี่ยมันจะสะดสังเวชสวยจนมันก็ตาย้รวยมันก็ตายดีมันก็ตายชั่วมันก็ตายอะไรมันก็ตายกันหมดเท่านั้น น, นี่จิตใจเราก็สดจิตใจเราก็สังเวช ก็ยิ่งพิจารณาไปเรื่อยๆนั่งก็สงบง่ายๆเพราะมันถูกจริ์ของเราอืมี่กันทีว่าวิปัฒนาอารมณ์ของสอมจักกรรมฐานเนี่ยถ้าถ้าไม่ถูกจรฤทธิ์น่ะมันก็ไม่สะดุดมันก็ไม่สังเวชอันใดที่มันถูกจริตนั่นมันก็ประสบบ่อยดังนั้นมีความรู้สึกนึกคิดในอาการนั่นบ่อยๆคนเราไม่ค่อยสังเกต ที่จะมีรูปเปรียบมาตามธรรมชาติของเราอย่างสํารับหนึ่งนะอาหารมันหลายอย่างนะถ้าเข้ามาถวายเราเนี้ยแล้วก็ต้องชิมไปทุกถ้วยอ่ะนะเมื่อชิมไปทุกถ้วยนะ่ะมันจะรูจะ้จักเอออะไรมาอะไรเราชอบเปรียบใน้ฟังนะเอออะไรเราไม่ชอบนี่เคทียบเห็นแบบจริตของของคนเป็นอย่งังไง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 อจะไปทําอย่างอื่นไม่สบายเด็ดเพระนั่งพุบลงกำนวดลมหายใจเข้าออกอืเห็นชัดะไม่ต้องไปเอาที่ไหนมันมากเอาของใกล้ๆเดี๋ยวนี้ดีกว่าก็กําหนวดลมหายใจเข้าออกมันออกมันเข้านอกมันเขาดูมันจะตรงนั้ น, หนแหละดนนูนานๆทําไปเรื่อยๆจิตมันก็ค่อยวางกัญญาอื่นๆมาเนี่ยมันก็ห่างกันออกไปเรื่อยๆ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 ถ้าเราทำไปแล้วน่ะแล้มันจะเห็นว่าเอออารมณ์เนี่ยลมที่เข้าออกเนี่ยมันเป็นอาหารอย่างดีเศษอย่างเนี้ยมันจะค่อยคิดของมันตามไปิต่ั้นนะครับมันเป็นอาหารยิ่งกว่าอาหารทางกายอย่างอื่นเนี่ยอาหารทางกายเหมือนลมเนี่ยนี่ก็อาหารจะนั่งอยู่มันก็หายใจจะนอนอยู่มันก็หายใจจะเดินไปมันก็หายใจ จะนอนดับอยู่กบหายใจลืมตาขึ้นมันก็นหายใจเนยถ้าขาดลมหายใจเนี่ยตายถึงแม่นอนดับอยู่มันก็ตองกินอยู่เนี่ยมีเด็วอาหารถ้าเราเห็นเนะี่โอ้ปีนาไปแล้วเอมอ ม, มันจะเกิดพรามศรัทธากันมาเออมันตรงนี้เองนะที่เราอยู่กันตรงวันนี้ไม่ใช่อย่างอื่นนะอันนี้ออื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 อ้าวอาทิตย์สิบห้านาทีหรือสามสิบนาทีอย่างเงี้อาหรือสิบนาทีหรือห้านาทีอย่างงี้ก็ลองดูสิเนี่ยมันจวนจะตายไปแล้วนี่อันนี้พูดถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้ปฏิบัติี่ยมันจะมีความรู้ขึ้นอย่างนี้ไอ้ความรู้มันเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินี้มันแตกมันมันแตก ถาเรามา่ได้กำหนดจิตใจของเจ้าของเลยก็ไม่รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นอาหารนี่ก็เห็นว่าไอ้ข้าวมันเป็นอาหารก็เห็นว่าเนื้อปลามันเป็นอาหารอะไรไม่เป็นอาหารนั่นแหละถ้วยอะไรก็ ซ, กรรกซื้อมันมากินสําหรับอะไรก็ซื้อมันมาฮะโต๊ะหนึ่งกี่ร้อยกี่พันเนี่ยว่ามันเป็นอาหารพิเศษซื้อๆอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่ามันปรดีอยู่แต่ว่ามันไม่ยิ่งเท่าอาหารอันนี้คือลม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 เรายิงเพียนาไปมากทลายเป็นต้นลมนี่ก็ยิ่งเกิดประโยชน์มากมีอาหารมากอย่างละเอียดถึงแม้ว่ามันขาด จ, จากจะบุกเราแล้วเป็นต้นนะมันถึงความสงบมันไม่จะอยู่เฉยหายใจก็ไม่รู้เรื่องลมนี้ยังสามารถออกจากตามสถพังร่างกายเราก็ได้นะนีะน่เราสงบนั่งอยู่เฉยๆตากนว่ารมมันไม่ออกลมมันไม่เข้านะแต่ว่ารมละเอียดมันเกิดเป็นมาแล้วนะ มันจะไปหล่อเลี้ยงอะไรทางร่างกายทางไหนนั่นเนี่ยทุกขุ้มขนนะมันจะออกไปได้ของมันอย่างละเอียดอืี่มันก็เลี้ยงโดยวิธีอันนั่นคือมันละเอียดฉะนั้นเมื่อกิจของเรามันละเอียดถึงที่สุดมันเรียกว ล, ลมหายใจก่อจะขาดลมหายใจจะไม่มีนี่ถึงที่ตรงนี้ท่านวัวอย่าพึ่งตกใจมันเนื้อ อารมณ์ไม่มีจะทําไงจะกำหนดไหมกำหนดว่ารู้ความรู้ตรงนั้น่ะรู้ที่ว่าอารมณ์ไม่มีนะั่นแหละเป็นอารมณ์อีกต่อไปอันนี้พูดถึงเรื่องสมถะกรรมฐานนี่มันคือความสงบอย่างนี้อกรรมฐานมาถูกจริตมันก็เห็นอย่างนี้อธิมายเรื่องอรมมันดีใจดีพลาดวิจานเพราะมันไปจนกว่าเรามีกัตตาเห็นชัดจริงๆอันนี้คือต้นตอมัน ทุกสิ่งทุกส่วนเนี่ถ้าเรารวมพิจารณาอยู่บอ่อยๆนะมันก็จะเพิ่มกําลังของเราเรืร่อยๆไอ้ค่ายน้าในโอ่งแะเนี่ยถ้ามันจะแห้งไปแล้วเอามาหยอดใจสบายเอ็ดเอามาหยดใจไปเรื่อยถ้ามันจะแห้งเอามาหยดใ่เพิ่มเข้าไปเอ็ดตัวสัตว์น้ําที่อยู่ในนั้นก็มีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ตายอการการทำเพียนการประคุตปฏิบัติของเราก็เป็นอย่างนั้น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 ถ้าเราคิดเด็กก็เป็นอารมณ์เดียวอยู่นั่นเองแค่ค่ายกันเราที่ว่าพูดตามสัดส่วนที่เราเกิดมาผู้ชายเราก็เห็นผู้หญิงเราก็เห็นแต่ไม่มีความรู้สึกเหมือนพ่อเราแม่เรา น, นี่อันอดื่อนเราก็นึกไปก็ได้อันนั้นเป็นผู้หญิงอันนั่นเป็นผู้ชายก็รููอยู่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 ทำไมมันคลายวันไหนเพราะว่ามันตึงไปพราอันนั้นมันเป็นอย่างไัมันเป็นของไม่แน่นอนไอ้พอมายึดมั่นถือมั่นคือเดียกว่ามันคลายเปลี่ยวมันออกมาเยมันไม่ตายตัวของมันอย่างนั้นเนี่ยเรื่องความเห็นนี่ก็เรื่องเป็นอะเป็นทิฏฐิเรื่องความยึดมั่นถือมั่นก็เป็นอย่างหนึ่งเดียกว่ามานะท่านจึงสอนว่าให้ลดทิฏฐิมานะจะลดไม่ได้ยังไง มันก็คิดต้องมาอย่างนั้นยึดก็ยึดอย่างั้นจะลดไันได้ยังไงนะนี่ยก็ยดลดได้ก็เพราะว่าเห็นธรรมะอาศัยดักคือเรื่องที่ว่ามันไม่เที่ยงอสุขมันก็ไม่เที่ยงทุกข์มันก็ไม่เที่ยงอะไรมันก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นเน่ยถ้าเราเห็นอย่างนี้อารมณ์ที่มันมีอยู่นั้นนะ่ะที่เรากระทบอยู่มันก็่อยหมุดตะคาไป ค่อยหม ด, ดาคาไปทลายเป็นต้นแล้วก็บันเทาความเห็นผิดไปเท่านั้นนี่บันเทาเรื่อยๆตรงไปอย่างนั้นเรียกว่าคลายคลายเกลียวมันออกหมุนซ้ายไม่ใช่มุนไปทางขวานั่นก็ไม่ตึงอุปทานนั่นก็ถอนมาเรื่อยๆนี่เวลาเห็นชัดว่าเรื่องอนิจจงทุกขังอนัตตาในสกุลร่างกายนี้ในรูปในนามนี้ในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้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 ที่ชอบใจเกิดขึ้นมาก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงอย่างนี้เบื่อโัยวิธีอย่างนี้เกิดเป็นนิพพิทาความเบื่อหน่ายคลายจากความกำหนัดรักใครในอารมณ์มันนั้นมมไม่ไปสำคัญมั่นหมายในอารมณ์เหล่านั้นที่เราชอบมันหรือไม่ชอบมันนั้นไม่ไปยึดมั่นถือมั่น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 นี่มันเกิดทุกข์เพราะ อ, อะไรเพรา ะ, ะวะ่าเพราะว่าเราไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทีท่เราชอบหรือเราไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ที่เราไม่ชอบตรงนี้เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดนี <c> ่ <oughs> รู้จักมันแล้วไย น, ะนี่ทุกคนคนข์มันเกิดเพราะเราอย่างเนี้ยไปสําคัญมันหมายมันอย่างนี้ทุกข์มันก็เกิดท่านว่ารู้จักทุกข์รู้จะขีด เ, เกิดทุกข์รู้จะความหับทุกข์ ถ้ารู้จากความดับทุกชนี to, ้แล้วก็คลายเคลียวมันออกมาจะดีมุนทางซ้ายมันจะไปมุนทางขวามต่อไปดีนี่คือมันขัไปเห็นว่าอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นเน่ยอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นมันก็ถอนตัวมานี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงความหลับทุกรู้จากทุกรู้จักเหตุเกิดของทุกรู้จากความดับทุกรู้จักข้อปฏิบัติถึงความดับทุกก็คือมรรค มันเป็นมรตต่อมามันเป็นมรติสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาชีวสัมมากัมมันตัวไปตามเรื่องมันเ น, นี่ยอืเพื่อมันเห็นชอบในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นะอันนี้มันเป็นข้อปฏิบัติให้เราจะเข้าไปหลับทุกได้ในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเนยอืมันก็ตรงต่อกับไปหาศีลหาสมาธิหาปัญญา น, นี่มันจะต้องเป็นอย่างนี้นเรื่องจิตใจของเราไม่ต้องไปนี่น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 ข้ปฏิบัติแห่งึ้ความดับทุกข์มันเป็นอย่างนี้ถ้าเรามองอย่างนี้ก็มันมองมองมอ ง, มองเห็นเป็นสัจธรรมทั้งนั้นเนี่ยอใครจะนินทาเมื่อเป็นสัจธรรมกันครับอใครจะเสนอเสนอเมื่อเป็นสัจธรรมทั้งนั้นะนที่นี้มันจะเรือแต่อาการอาการของจิตที่มันอยากคือเลยมันสะสมมาแล้วแต่นานๆ